เวลาที่เราพบปะจะเจอกับใครก็ตามจะเป็นมนุษย์ เพราะปัจจุบันกับคนเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วน่ะไม่ว่าเราจะอยู่คนอื่นเดียวเดียวเดี่ยวๆไม่ได้ มีเค้าควบคือสัญญาณก็ดับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาเราต้องตอบโต้ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปถ้าใช้ของเราเป็น 1 นี่เหมือนอยู่คนไปแวบมาโหถมวนตรง เป็นยังไงใครบอกได้เอ้าจะตัวเราเปอย 2 อย่างนี้นะว่าเวลาไปวับแวบนั่นเนี่ยคือถ้าอยอยอย 2 ข้างซ้ายขวาเนี่ยนะบางทีอาจจะไม่ เปลี่ยนแปลงวุ่นวายร้อนมืดหนาวโอ๊ยมีเวลาอะไรต่างๆเยอะแยะขวานี่ก็แน่วแน่นิ่งสนิทเลยนิ่งไม่คือเอ่อซ้ายก็ไม่ได้ซ้ายสุดหรอกขวา เราดูใจของเราดูแนว -10 นะ -10 ก็คือโอ้โหบุ่นวายแสซายร้อนนะถึงขนาดเรียกว่าอยู่ไม่ได้ เนาแน่นิ่งเป็นธรรมเดียวน่ะเดินนี่ +10 นะจาก -10 ถึง +10 ตรงนี้เป็น 2 เป็น 5 เป็น -2 -5 หรือ 0 นะเรา 10 เป็นยังไงเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเอ่อ 2 10 อยู่ก็คงไม่ได้ นะไม่ว่าจะเป็นอันไหนเดี๋ยวสมมุติว่าเราได้สักค่า นะ, ในความร้อนใจนิดๆหน่อยๆ -1 ความร้อนใจมากขึ้นไปเพราะว่าฉันมีกิกมีอะไร -5 ไปอย่างงี้ก็ 1 ขึ้นไปนะมีศีลอยู่เป็นปกติ หรืออกุศลมากกว่านะศูนย์นี่ก็ 1 หรือ 2 นะฉันก็ ต้องถาม 2 หรือ 3 นั้น 2 หรือ 3 เนี่ยให้ 4 หรือ 5 อย่างเงี้ย 2 หรือ 3 จะสัก 4 หรือ 5 นั้นทําใจเราดู 1 หรือ 2 จุดในที่ 2 หรือ 3 มีเป็น 10 นะ 10 ก็ได้ 10 นี่บางที 1 1 หน่วยจากที่เราได้ 2 หรือ 3 อ่ะ 4 หรือ 5 ซะนั้น 1 หน่วยตรงเนี้ยเราต้องทํามัน ใจของเรานี่มันขึ้นมาสัก 1 แต้มได้นะหรือ 2 แต้มได้หรือว่านิสัยบางอย่าง 1 หรือ 2 แต้มอันนี้ถามว่า 10 หรอกอ่าแสดงว่า มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ที่ 2 แต้มในสิ่งอะไร มีข้ออ้างเยอะแยะอย่างงี้แล้วมันก็นี้นะถ้าผมว่าชั่วๆมากๆนี่คุณคงจะติดอยู่แต่แต่ถ้าๆนิดๆหน่อยๆเราเราไอเดนทิฟ์ตรง เรายังไม่ได้ทําหน้าที่เมื่อถ้าเราทําเราเราเรา 5 นาที 10 นาทีโอ้นิสัยนี้ถ้าเราแก้ปุ๊บจิตใจของเราจะกิน เห็นนี่ก็รู้สึกอยากจะนินทาเขาปาก ยังเลิกไม่ได้เช่นสูบบุหรี่หรือว่าอ่าบ้างบางประการอย่างเงี้ยมันยัง 1 เดียวถ้าสมมุติลึกตรงนั้นได้อาจจะเพ 3 เพิ่มสัก 5 อ่านั้นไว้เมื่อเราอ่านิสัยที่ดีที่เมื่อเราทําแล้วเราจะ 1 และนิสัยที่ไม่ 1 หรือ 2 เดี๋ยวเรามามาทําเลยวันเนี้ยทําซะนิสัยนี้ทําสิ่งนี้ทําสิ่งที่ดีที่เราบอกไม่ แต่อย่างน้อยเราเราทํา 24 ชั่วโมงถูกป่ะมันก็ยังมีชั่วโมงที่เค้าสูบไม่สูบอย่างตอน แล้วทําให้มันกว้างขึ้นได้มั้ยและตรงนี้ก็คือทําเป็นทีละนิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรารู้ได้ทุก เนี่ยหยุดเร็วกว่าตอนที่ 1 ซม. อย่าง 2 ซม. อย่างเงี้ยเนี่ย ในเช่นว่าอ่าหรือบุรีอ่ะเราลดปริมาณลงเนี่ยจากเท่านี้มวลเป็นเท่านี้มวลลดลง สิ่งที่ไม่ดีลงทีละน้อยทีละน้อยเราเพิ่มสิ่งที่ดีๆ 1% นั้นเอ 1 เอ่อแค่ 1% นะอาทิตย์ 1% อาทิตย์หน้าดี 1% นะ 1% ก็หมายความว่าไอ้ที่เราทําไม่ดีนะที่เราทํา 1% ที่เราทําดีอยู่แล้วเราก็เพิ่มขึ้นสัก 1% แล้วมันก็ทําให้ชีวิตของเราทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเนี่ยพัฒนาขึ้นไปด้านดีก็พัฒนาขึ้นด้าน 1%, แล 1 ในแค่ วันหนึ่งวันหนึ่งนะ 10 ปีผ่าน 5 ปีผ่านไปเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้ว 10 ปี 20 ปี 30 ปี หูกลายเป็นคนเลยเรื่องไปเลยนะเป็นเงินล้านขึ้นมาก็มีนั่นนั่นก็เราว่า ก็ขอลาถ้า